ชินนบัญชรคาถาอนุภาพแห่งพระคาถาชินนบัญชรผู้ใดได้สวดภาวนาพระคาถาชินนบัญชร น, นี้เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอจะทําให้เกิดความสิริมงคลสมบูรณ์ภูิผลสตัตว์หมู่ผานไม่กล้ากล้ากลายไปทางใดย่อมเกิดเมตตามาหานิยมเกิด ล, าผลผ่าพ้นภูณทวีกระจัดภัยจากผู้ผีปีศาจ ต, ตลอดจนคุนใสต่างๆ ทำน้ำมนต์รดแก้วิกลจริตแก้สรรพโรคภัยหายสิ้นเป็นสิริม ง, งคลแก่ชีวิตมีคุณณาลภาพตามแต่จะปราถนาดังคำโบราณว่าฝอยท่วมหลังช้างจะเดินทางไปที่ใดที่ใดสวดสิบจบและอธิษฐานจะสำเร็จสมดังใจมาเหตุผู้อ่าน การสวดมนต์จะได้ผลดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือขณะสวดจิตต้องเป็นสมาธิมีสติกำ ก, กับทุกคำไม่วอกแวกรู้ตัวชัดและถ้าหากว่าสามารถแปลออกด้วยเข้าใจความหมายด้วยก็จะยิ่งได้ผลมากหลักของอนุภาพแห่งการสวดมนต์นั้นสำคัญอยู่ที่กำลังจิตหรือกาลังสมาธิของผู้สวด รวมไปถึงศีและคุณธรรมหรือบุญที่เคยสะสมไว้ประกอบกันด้วยนะครับเมื่อจิตมีพลังเป็นมหากุศลจะเกิดเป็นคลื่นพลังงานบริสุทธิ์ที่ดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆให้เข้าหาได้ง่ายจึงนำมาซึ่งความเจริญในหลายด้านและแม้แต่ในงานวิจัยในปัจจุบันนั้นก็พบว่าจิตที่สงบเป็นสมาธิและเป็นกุศล น, นั้นมีผลให้ร่างกายหลั่งเคมีได้สมดุล อวัยวะภายในทำงานดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นร่างกายรักษาตัวเองได้ดีขึ้นซึ่งนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้โรคบางอย่างสามารถบรรเทาหรือหายไปได้จริงต้องไม่ลืมจุดหลักนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือพลังจากใจของเราเองการสวดมนต์นั้นเป็นการเสริมสร้างพลังจิตของตัวเองเพื่อให้เกิดกระแสกุศล และพลังแห่งกุศลนั้นถ้าเข้มข้นมากพอก็จะกลายเป็นเกราะป้องกันพลังชั่วร้ายหรือพลังที่แตกต่างกันได้การสวดมนต์นั้นจึงควรสวดด้วยความเข้าใจเพราะถ้าเข้าใจผิดคิดไปแต่ว่าเป็นคำที่ขลังและไม่ได้อยู่บนหลักกนแห่งกรรมก็จะกลายเป็นศิลปตาปรามาตเป็นสังโยชน์ข้อหนึ่งเป็นข้อสาคัญที่ขัดขวามมิให้เราบรรลุธรรมได้ อ น, นิสงชินบัญชรพระคาถาชินบัญชร น, นี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักตกทอดมาจากลังกาเจ้าพระคุณสมเด็จค้นพบในคัมภีร์โบราณได้ดัดแปลงแก้ไขแต่แตงเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษได้เนื้อถ้อยกระทงความสมบูรณ์แปลออกมาแล้วมีแต่สิ่งสิริมงคลแก่ผู้สวดภาวนาทุกประการพระคาถานี้ เป็นการอัญเชิญพระพุทธานุภาพแห่งพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่เกิดตรัสรู้มาก่อนหน้านั้นจากนั้นเป็นการอัญเชิญพระอาหารหันตขีนาศอันสำเร็จคุณธรรมวิเศษแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนอกนั้นยังอัญเชิญพระสูตรต่างๆอัญบุรณอาจารย์เจ้าถือว่าเป็นพระพุทธมนตรวิเศษ แต่ละสูตรมารวมกันสอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาพระคถาลงมาจนล้อมรอบตัวจึงกระทั่งหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้า ม, าไมิได้หมายเหตุผู้อ่านขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าอันตรายจะสอดแทรกไม่ได้นั้น ความจริงก็คือสติของเรานั่นเองสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันตรายก็ย่อมเข้าแทรกได้เช่นกันถ้าหากเข้าใจหลักของการเจริญสติการสวดมนต์จะเกิดประโยชน์มากเราสามารถเจริญสติร่วมกับการสวดมนต์ไปพร้อมกันเลยได้ซึ่งจะได้อ น, นิสงส์งเป็นวิปัสสนาปัญญาเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับในส่วนของพระคถาชินบัญชร น, นั้น อยากแนะนำให้ฟังคำอธิบายของอาจารย์พรรัตนสุวรรณซึ่งท่านได้อธิบายถึงคาถาที่แท้จริงว่าในบางจุดนั้นคำเดิมที่แท้จริงคืออย่างไรซึ่งท่านให้เหตุผลว่าหลายคำนั้นเป็นการผูกคาถาของสมเด็จโตที่แตกต่างจากหลักวิชาทั่วไปจุดประสงค์เพื่อความหมายแฝงลัแแลออกมาแล้วดูมีเหตุมีผลและมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เผยแพร่ ก, กันในปัจจุบันนะครับ โดยที่คำเดิมหลายคำนั้นเข้าใจว่านักภาษาศาสตร์ในด้านบาลีไปเข้าใจผิดว่าเป็นการจดบันทึกมาผิดจึงเปลี่ยนคำเดิมหลายคำในบทสวดนั้นให้ถูกต้องตรงหลักไวยากรณ์ท่านผู้สนใจฟังได้จากเสียงงานซึ่งชมรมผลดีจะจัดทำต่อไปนะครับ อธิบายความเป็นมาและความหมายแห่งพระคาถาจินบัญชรปรากฏว่าจินบัญชรคาถามีหลายฉบับฉบับหนึ่งเขียนเป็นอักษร ส, สิงหโหนไว้ในสมุดคอยมีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติฉบับหนึ่งอยู่ในคัมภีสังขยาปก า, กาศกาดีกาเป็นอักษรพม่าและอักษรขอมและมีฉบับอื่นๆอีกแต่ทุกฉบับผิดเพี้ยนแตกต่างกัน มากบ้างน้อยบ้างเฉพาะคถาบาต้นของทุกฉบับต่างกันดังนี้ฉบับสิงห์หนจะยาสนักขตาวีราฉบับคัมภีสังขยาประกาศากาดีกาจะยาสรรนาคตาวีราฉบับหนึ่งว่าจะยาสนักขตาพุท ธ, ธาอีกฉบับว่า ชายาสนากตาพุทธาอีกฉบับหนึ่งชายาสรากตาพุทธาในวงเล็บไม่ทำลายซึ่งสายธนูและลูกศรคือไม่ต้องใช้สัตวราวุธข้าพเจ้าในที่นี้หมายถึงพระคราาูกัลยาณุกูลวัดกัลยาณมิตรได้ส่งต้นฉบับไปให้พระธรรมนิเทศถวยหารอยู่อุดมศิล์ ปริเรยนธรรมเก้าประโยคน์หัวหน้านุศาสนาจารย์ของทัพบกพิจารณาพระธรรมนิเทศชอบฉบับสุดท้ายบอกว่าฉบับนี้คำแปลหลักแหลมมากและได้ขอให้พระธรรมนิเทศตรวจแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยด้วยและถวายให้เจ้าคุณพระพัทธรมุนีอินปริเรียนธรรมเก้าประโยคเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณเจ้าคณะอำเภอทนบุรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง จึงยุติเป็นฉบับที่ถูกต้องสมบูรณ์ดังที่ตีพิมพ์ไว้ในสมุดนี้ซึ่งฉบับที่ท่านว่านั้นคือฉบับที่มีบาต้นว่าชิยาสรากาตาพุทธาจินทะบัญชรคถาเจ้าพระคุณสมเด็จท่านจะประพันธ์ขึ้นเองหรือท่านจะได้จากใครหรือจากที่ใดข้อนี้ไม่มีใครทราบแต่เมื่อคนทั้งหลายยังนับถือเชื่อกันว่าคถานี้เป็นของเจ้าพระคุณสมเด็จ จึงเรียกว่าคถาสมเด็จสืบมามีท่านผู้รู้บอกอธิบายว่าเมื่อจะท่องชิ้นบัญชรขคถาควรทำในวันพระฤหัส บ, บดีให้จุดธูปเทียนกับดอกไม้บูชาน้อมจิตระลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จขอให้ท่านประสิทธิ์ประสาทคถานี้ให้และจึงเริ่มท่องต่อไปแล้วว่าคถาที่8ปุอุนโนอังคุลิมาโลจะ จนถึงนาละเตติละกามามะให้เสกน้ำล้างหน้าหรือเจิมดีนักผู้ที่สวดชินบัญชรคาถาเป็นประจำทุกวันจะได้รับประสิทธิทผลเป็นมหาศจร์จริงๆเป็นต้นว่าจิตใจจะผ่องใสสดชื่นมีความเป็นอยู่ไม่ฟืดเคืองอยู่เย็นเป็นสุขทุกคืนวันจเจริญล่าผลเนืองเนืองปลอดภัยหายทุกกังวล แต่ทั้งนี้ผู้สวด ต, ต้องเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลธรรมด้วยคาถานี้บริกรรมทามน้ำมนต์ใช้ได้ทั้งกันและแก่ทุกอย่างวิเศษหนักในหนังสือคำพีพุทธมนต์โอสถรวบรวมโดยนายแพทยสาริกรบุตรกล่าวพรรณนาคุณานุภาพแห่งจินบัญชรขคาถาไว้ดังนี้ รักษาจินตบัญชรของสมเด็จพระพุท ธ, ธาจ้าโตมีคุณนานุภาพมากมายผู้ใดได้จำเริญภาวนาไว้เสมอจะเจริญด้วยลาบยศเจริญชนมายุยืนยาวปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงใช้เสกน้ำมนต์รถแก้สัพพทุกโศกโรคภยัยไม่ว่าจะถูกกระทำคุณใสคุณผีคุณคนทั้งปวงแก้ได้หายสิน้นรสแก้ไขเรือรังแก้โรคจิตวิกลจริตแก้วามงคล น, นิมิตได้ทุกประการ ตามแต่จะปรารถนาใช้ได้ทั้งนั้นใช้ปลูกเสกเครื่องลางของขลังประเครื่องเพิ่มอิทธิฤทธิ์ปฏิหารขึ้นแลหมายเหตุผู้อ่านแต่ถ้าดูจากคำสอนของครูบาอาจารย์ฝ่ายพระปา่าหลายท่านจะแนะนำให้สวดบทอิติปิโสเป็นหลักนะครับ เป็นการบูชาคุณระลึกถึงพระคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งคำปลายของบทสวดอิติปิโสนั้นก็คือการกล่าวถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณท่านว่าเป็นบทที่ดีที่สุดและยังเป็นพุทธวจนะโดยตรงดังนั้นไม่ว่าจะศรัทธาสวดมนต์บทอะไรก็ตามก็ควรสวดอิติปิโสเป็นหลักก่อนเท่านั้นนะครับ คาเสริมสร้างทางสวรรค์นิพพานของสมเด็จพระพุทธาจ้์โตปรมรงสีมันทำทานรักษาศีลภาวนาแล้วระลึกถึงพุทธพุทธาพุทเทพุทโธพุทธังอรหังพุทโธอิติปิโสภคะวานะโมพุทธายะจะทำให้ท่านมีความสุขอายุยืนนิพพาน ซึ่งบทนี้ก็คือพุทธานุสติเป็นการเอ่ยนามระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดเป็นบุคคลสูงสุดที่เป็นสารณะคือที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดและการยึดเป็นที่พึ่งที่ถูกต้องนั้นก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ พระอิติปิโสบทสวดที่ถือว่าเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ของสุเดจโตอีกบทหนึ่งคือบทพระอิติปิโสรัตนมาลา108รพระคาถาศักดิ์สิทธิ์พระอิติปิโสรัตนมาลาเป็นของเก่าดึกดำบรร น, นิยมกันว่าเป็นการเจริญภาวนาเพื่อตามระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า ด้วยเคารพสักกิระอย่างสูงสุดถ้าผู้ใดได้เจริญภาวนาให้สม่ำเสมอด้วยศรัทธายึดมั่นในพระรัตนตรัยแล้วพระพุท ธ, ธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังขานุภาพจะดนบรรดาลที่ผู้เจริญภาวนาประสบประโยชน์และต้องสําเร็จมโนโปานิธานได้สมดังความปรารถนาเป็นอีกบทหนึ่งแห่งการเจริญนวหรคุณที่คณาจารย์เจ้าตะโบราณ ได้บำเพ็ญกันมารวมทั้งหมด108ห้องพระคาถาตามตำนานของพระอิติปิโสรัตนามาลานี้ได้มาจากสมุดค่อยโบราณและตามประวัติกล่าวว่าสมเด็จพระพุทธเจา้าโตได้นำมาบวชพระอิติปิโสรัตนามาลานี้บริกรรมในการสร้างพระพิมพ์ของวิเศษนั่นด้วยและพระอิติปิโสรัตนามาลาจะมีพระคุณานุภาพอันใดนั้น พึงอ่านบา น, นแผนกเก่าที่นักปราดโบราณท่านได้รจนาไว้พระอิติปิโส ต, ต่างๆหลายอย่างดังที่จะได้กล่าวต่อไปข้างท้ายนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าอันความตามระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ามีกุณณาุภาพมากมายเหลือที่จะพรรณน า, นาอาจห้ามการเสียซึ่งความหวาเสียวครั่นครล้ม และโรคภัยพยันตรายต่างๆมีคุณประโยชน์เป็นอันมากแก่ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งสตรีและบุรุษและข้ารืหัสและบรรพชิตควรจะท่องบวนสาธยายให้ขึ้นใจไว้เพื่อเป็นความสวัสดีมงคลแก่ตนผู้ที่ได้สาธยายเพราะพระอิติปิโสเป็นพระพุทธนามอันประเสริฐแต่ละพระนามพระนามเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าของเรา และพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้แก่พระภิกษุดังมีเนื้อความในพระพุทธภาษิตทัชชัสคสูตรแสดงไว้ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าว่าความกลัวหรือความหวาดเสียวหรือขนพองสยองกล้าวเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายผู้ไปสู่ที่ว่างเปลี่ยวอันเป็นที่เงียบสงดอันจะพึงกลัวเป็นต้นว่าไปสู่ป่าก็ดีสู่คนไม้ก็ดี สู่เรือนเปลี่ยวก็ดีสมัยนั้นท่านทั้งหลายพึงตามระลึกถึงเราพุทธาโคตอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะควาติเมื่อท่านทั้งหลายตามระลึกถึงพระคาถาอยู่ ความกลัวหรือความหวาดเสียวหรือคนพองสยองกล้าวจะหายไปเพราะพระตถาคตเป็นอรหันตสามมาสัมพุทโธไม่มีราคะโทสะโมหะเป็นผู้ไม่กลัวไม่สะดุง้งไม่ตกใจไม่หนีอีกประการหนึ่งอันว่าความตามระลึกถึงพระพุทธคุณนั้นเป็นอนุตตริยะ ไม่มีความตามระลึกอย่างอื่นระลึกยิ่งขึ้นไปกว่ามีพระพุทธภาษิตในอนุตตริยสูตรแสดงไว้ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ผู้ใดมาตามระลึกถึงเราผู้ตถาคตหรือสาวกของตถาคตอยู่มีความเชื่อตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นถึงโดยส่วนเดียวเลื่อมสายยิ่งแล้วความตามระลึกของผู้นั้นเป็นความระลึกอย่างยิ่ง ว่าความตามระลึกทั้งหลายเพราะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวพ้นจากโศกะปริเทวนาการเพื่อโล่วงลับแห่งความทุกขโทมนัสเพื่อบรรลุอริยามรรคเรื่องนําสัตว์ออกไปเพื่อกระทําพระนิพพานให้แจ้งพระพุทธเจ้านั้นทรงพระคุณนาระลึกถึงมากมายไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณสิ่งใดจะเสมอเสมือนเมื่อจะกล่าวถึงพระคุณที่ฟุ้งเฟืองเป็นในหมู่เทวดาและมนุษย์โดยมากแล้วก็คือพระอิติปิโสเป็นอาธิพระอิติปิโสนั้นท่านบรรณอาจารย์ได้แสดงไว้หลายในยยดังได้รวบรวมขึ้นไว้เพื่อเป็นการสะดวกแก่ผู้ที่จะต้องการท่องบนสาธยายจะได้ดูตามความประสงค์ หมายเหตุสําหรับบทสวดพระอิติปิโสรัตนามาลานั้นเป็นการนําคําแต่ละพยางในบทอิติปิโสที่เราทุกคนรู้จักกันดีและนํามาขยายความแต่ละพยางออกไปจนกลายเป็น108พระคาถาตัวอย่างเช่นคําว่าอิติปิโสก็แยกเป็นพยางและแต่ละพยางนั้นก็เป็นหนึ่งคาถาเช่นพยางแรกอี อิโทสัพพัญยุตยานังอิชันโตจนถึงน้มามิหังติตินโนโยวตาทุกขมหาตินังจนถึงน้มามิหังพยังที่สามปิปิโยเทวามนุษยานังปิโยพรหมมาในมุตตะโมจนถึงน้มามิหังโสพยางที่สี่ โสกาวิราตาจิตโตยโยโสภะมโนจนถึงเนมามิหังซึ่งรวมแล้วในบทพุทธคุณเป็น56คาถาในบทธรรมคุณคือบทสวากาโตภะวตาธมโมรวมได้38ขคาถาและบทสังคคุณคือสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโครวมอีก14คาถา รวมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็น108ขคาถาหมายเหตุผู้อ่านสำหรับคนทั่วไปนั้นแนะนำให้สวดบทอิติปิโส ต, ตามปกติซึ่งเป็นบทที่เราคุ้นเคยกันดีและไม่ยาวมากเกินไปแต่ที่สำคัญก็คือควรสวดและแปลได้หรือเข้าใจความหมายด้วยนะครับ